กันที่สี่น้ําห้วยลึกแค่ไหนกระโดดลงไปวัดดูจะถามเรื่องเดินโยมกลมเรื่องนั่งสมาธินี่เหมือนเอากาวปิดปากไว้นั่งสมาธิเป็นยังไงมีปัญหาอะไรมีปัญหาขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินปัญหามีอยู่แค่นั้นถ้าเราขี้เกียจมันจบแล้ว การเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเรามาค้าขายเราจะขาดทุนหรือมีกำไรการค้าขายนี่ต้องวางแผนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นวันนี้พรุ่งนี้นี่เราจะทำอะไรต้องมีการเตรียมการตัวเองเข้าหลักกับครรมตั้งเจิตตนา ถึว่าเกตนาหัา่นพิกเวสตานังวิสุทธิยายกองของเกตนาขึ้นมาในการวางแขนการจัดการเราเป็นนักบริหารจัดการตัวเองเราบริหารจัดการตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนจะได้เปียบเสียเปียบจะเป็นไปกับมรรคหรือไม่เป็นไปกับมรรคก็พะ การวางแผนไม่ใช่มี ก, กระดาษเฉยๆการวางแผนในภาคปฏิบัตินี่กระโดดลงไปเลยน้ำห้วยนี่มันลึกแค่ไหนนี่กระโดดลงไปวัดดูเลยนั่นแล้วถึงจะรู้แก่ใจของเราจะจักจิตมันไม่สงบนี่ลองเดินดูสิถ้ามันยังฟุ้ง้านอยู่ มันไม่สงบอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเราก็เดินจนกว่ามันจะสงบนั่นถึงได้เรียกว่ามัดไม่ใช่มัดกินกับมัคนอนถ้ามัดกินกับมัคนอนเป็นอีกแบบฉะนั้นเรามีกำไรหรือเราขาดคุณเราต้องดูตัวของเราได้ตลอดเวลามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัว มีตะควมอิจฉาลิชยาแค่นั้นมันได้อะไรการวางแขนการอ่านหนังสือการท่องสาธยายพุทธมนต์เราท่องจำเราท่องปากเปล่าได้หรื อ, อยังํวาวัเช้าตาวัเย็นพิธีกรรมต่างๆมันมีหลายอย่างวินัยกรรม มันมีการวางแผนการคิดล่วงหน้าเราภาวนาเราได้อะไรมีแต่เราไม่ได้อะไรมีจะเห็นที่ของที่เราทิ้งแล้วทั้งหมดเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเครื่องนุ่งเครื่องห่มอาหารการบริโภคต่างๆมีจะมบนหมดไปหามาให้แทบไม่ทัน แต่ละวันแต่ละวันแต่ละอย่างเราจะต้องเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราไม่เข้าใจกับตัวของเราแล้วเนี่ยเราทำงานก็ล้มเหลวเราเลี้ยงชีวิตก็ล้มเหลวเป็นหนี้เป็นศินกู้หนี้ยืมสินไปหรือ ปะเอาเนื้อมามาไปปะเนื้อช้างปะเอาเนื้อหมูปาดเอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้างช้างมันตัวมันโตอยู่แล้วแต่ไปหาเอาเนื้อหมูเนื้อหมามาปะเนื้อมันอีกอย่างสมเสร็จมีเนื้อทุกชนิด ทุกชนิดของสัตว์ไปรวมอยู่ที่สมเสร็จ์เขาเลยตั้งชื่อสมเสร็จว่าเป็นหมาก็ไม่ใช่ว่าเป็นหมูก็ไม่ใช่ว่าเป็นช้างก็ไม่ใช่ก็ เ, เลยเรียกสมเสร็จจะเป็นม่วงก็ไม่ใช่จะหมูกมัน มันกลายเป็นสัตว์พันสมสิทธจะเป็นนักบวชก็ไม่ได้จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชินธรรมก็ไม่ได้จะเป็นผู้บําเพ็ญตบะคือการแผ่เผากิเลสก็ไม่ได้เพราะไม่เคยแผ่เผามันเลยมีกิเลสมันเผา ต, ตัวเองตลอดวันตลอดคืนโดินโยนกลมก็ไม่เดินนั่งสมาธิก็ไม่เอา ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เอาทำข้อวัดปฏิบัติก็ไม่เอามีแต่ปล่อยตัวเองไปวันวันไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเราตายนี่เราจะไปไหนเรามาเช่าบ้านเขาอยู่ถ้าเขาไล่หนีจากบ้านเราจะไปอยู่ไหนถัดดินถัดน้ำถัดลมถัดไฟ รูปเวทนาสัญญาสั้งขารวิญญาณเรามายืมเขาใช้นะเรามาขอเขาใช้ชั่วขาว่าวคนนั้นไม่ถึงร้อยปีก็เขาไล่หนีนะกลมชลาคำข่าก็เข้ามากลมสำรุดสุดซมก็เข้ามาเยี่ยมเยียนคนอื่นก็หูตา อนานีมันตมานี่ปีนี้เริ่มปรากฏหูก็เริ่มปรากฏพูดค่อยๆไม่ค่อยได้ยินนึกชื่อคนก็ น, นึกไม่ออกลเลยดินอกจากพวกชื่อที่เราตั้งไว้เองฉนั้นเราจะต้องคิดตั้งเจตนาตัวเองขึ้นมา วางแขนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่วันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรถ้าลมหายใจมันหยุดไปคืนนี้ก็ช่างหัวมันวันนี้เราก็ทำดีที่สุดแล้วเดินถุงกลมนั่งสมาธิภาวนาจิตใจเราก็เป็นไปพอสมควรไม่ขาดทุนนะ่น พูดได้ไหมเราว่าไม่ขาดทุนเรามาค้าขายนี่เราก็มีกําไรพอสมควรอายุมาขนาดนี้เราก็มีกําไรพอสมควรได้ประพฤติปฏิบัติได้มาอยู่ป่าอยู่เขาได้มาอยู่ที่เงียบสงบได้ความบีเบจากการไม่ตอแหลตัวเองหรือมานั่งตอแหลตัวเองไปวั น, วน แต่ถ้าเราได้ควมมิเวกก็แสดงว่าไม่มีความการต่อแหล่ต่อแหล่มีหลายอย่างต่อแหล่ในความคิดหรือต่อแหล่ในวาจาอูข้านี่ไปอยู่วัดน้วัดนวัดป่าวัดดอยสำนักนนท์ก็เคยไปสำนักนี้ก็เคยไปอาจารย์องคนน้นก็เคยรู้จักอาจารย์องนี้ก็เคยรู้จักฟังเทศหลวงปูน่นนท์ก็เคยฟังหลวงปู่นี้ก็เคยฟัง แต่คมเป็นไฟของจิตใจเราเป็นไฟอย่างที่ท่านเทศไหมท่านพูดถึงเรื่องศีลความสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจเราเคยอยู่ในข้อที่ว่าสังรวมไหมคำว่าจิตตะสังวโลสาธุสังรวมจิตจิตเราเคยได้สังรวมอยู่ตามบังคับบัญชาเราไหม เรามันคำบัญชาให้มานึกคำบริกรรมภาวนามันก็มาอยู่หรือมันเตลดเิดเปิดเพิงไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาทวงหาความสงบมันได้อะไรฉะนั้นถึงว่าอาทิตย์สุดท้ายหรืออาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายนี่รวบรวมตรวจสอบดูความเป็นอยู่ของเราตั้งแต่เกิดขึ้นมา จนถึงวันนี้มาพบทวนดูซิว่ามันเป็นยังไงมันมีกาไรมากกาไรน้อยหรือมันไม่มีอะไรเลยกําไรที่มันมีเพราะอะไรมันเป็นยังไงกําไรว่าเรามีกําไรกําไรมันคืออะไรคือเราเข้าใจตามแนวทางคำสั่งสอนของผู้เจ้าบ่ สมบัติของโลกก็คือเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของสมบัติในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของลาซามหักอากยศเศรษฐีเฮมโบดีคื้นพัตตพีอันนี้เป็นสมบัติของโลกโดยตรงอะไรก็ตามที่เกิดอยู่ในพื้นพัตตพีอันนี้ก็คือจบอยู่ในพื้นพัตตพีอันนี้ไม่มีใครที่จะแบกจะหามไปที่ไหนได้ ถ้าเขาแบบหามหนีได้เขาหนีไปหมดแล้วไม่เหลือไว้ให้เราได้เหยียบแล้วเป็นดินโลกอันนี้เอาหนีไปไม่ได้จะเป็นเจ้าของได้เป็นเจ้าของชั่วครั้งชั่วคราวในชั่วที่เป็นเจ้าของอยู่ก็อยู่ได้เดี๋ยวเจ้าของก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนไปถึงลูกถึงหลานมาถึงยุคพวกเรานี่ก็เป็นยุคลูกลู ก, ลกยุคหลานมาแล้ว การสร้างประเทศก็สร้างมาตั้งเจ็ดแปดร้อยปีสร้างประเทศได้สร้างเป็นบ้านเป็นเมืองมีการทำไร่ไถนาะมีการค้าขายมีการอะไรกันมาตลอดมาตั้งแต่ยุคพ่อคุณาำคำแห็ง ยุคสุขโขท ย, ยุคอยุธยายุยายคธนบุรียุครัตนโกสินสร้างบ้านแปลงเมืองมาตามลำดับนะแต่คนที่เขาสร้างสร้างก่อนอน่ยถ้าเขาเอาไปได้เขาเอาหนีหมดแล้วไม่เหลืออยู่ให้พวกเราได้เห็นบ้านสองห้องหอปอบโบรมหาลัชวงังอะไรตัวอะไรต่างๆฉั้นไอ้สมบัติเหล่านี้มีใครเป็นเจ้าของ มีแต่จะวางตกทอดไปต่อลุ่หลังต่อไปในอนาคตข้างหน้าเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆส่วนธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าก็เปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยๆสองพันหกร้อยกว่าปีมืนสองพันห้าร้อยกว่าปีหกร้อยปียันเราจะเป็นตัวอย่างในอนาคตข้างหน้าได้ไหม เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นต่อๆไปในผู้ประพฤติปฏิบัติมนีปัญหาว่าเราได้ทำอะไรไว้บ้างฝากลวดรายไว้ในความมีศรัทธาในความที่ได้มาประพฤติปฏิบัติได้ทำความสามารถทางด้านจิตใจให้เข้าใจในหลักทมคำสอนของผู้เจ้าอย่างท่องแท้ ผู้เจ้าสอนอะไรสอนอริยสัจสอนอนุพุพิกตถาศีลกถาภาวนากถาอริยสัจสี่หลักที่ผู้เจ้าสอนอนุพุพิกตถาก็เกี่ยวข้องกับผู้คนที่เกิดขึ้นมาในโลกผู้เจ้าก็ยอมรับว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อมีมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบัดนีก้ก็มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาธรรมวินัยมีศรัทธาในคำสั่งสอนของผู้เจ้าจะเอาบุญกุศลขนาดไหนอีกโอกาสเราดีขนาดไหนอีกพอเราได้มีศ ร, ร, รัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเราจะเอาดีขนาดไหนอีก แล้วมาเข้าใจหลักของศีลธรรมหลักของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแบบศีลก็อย่างที่ว่าคือการทั้งรวมเราก็ได้ตั้งอกตั้งใจทั้งรวมอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปานาอจินนาการเมมุสาสุลาต้นกําเนิดของศีลทั้งหมดก็คือปานาอจินนากาเมมุสาสุลา หิรโอตปะเป็นต้นกำเนิดของสินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินแปดสินสิบสินสองรอยยี่บเจ็ดสินอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสินทั้งหมดนี่มันมีต้นกำเนิดอยู่ที่นี่ข้ออภิสุนาราจาข้อเดียวนี้มันเป็นต้นกำเนิดใหญ่ของสินทั้งหมดเป็นหลักแก้วเป็นลําต้นเป็น สิ่งเป็นใบอะไรก็เกิดขึ้นจากต้นกำเนิดของมันถ้ามันไม่มีต้นกำเนิดถ้าเรานั่งต่อแหลตัวเองไปวันวันมันได้อะไรก็คือไม่มีต้นกำเนิดของสินอปิสุนาวาจากลายไปเป็นอพิสุนาวาจาก็คือไม่มีต้นกำเนิดของสินฉะนั้นในเมื่อไม่มีต้นกำเนิดของสินนะบัดนี้มันจะมีบุญได้ที่ตรงไหนเ่ย บุญก็ไม่มีมีแต่บาปมีแต่ความคุณมัวของกิตใจมืดแตดด้านสุดท้ายมากระจกชีวิตตัวเองตายไปก็ไปตกนรกอีกนี่เหมือนกับคนขึ้นต้นไม้สูงๆนะเหมือนกับคนขึ้นตึกสูงๆกระโดดลงมา ก, ก็ต้องเจ็บมากถ้าไม่ตายก็เจ็บมากถ้าดีไม่ดีก็ตายไปเลย แค่ล้มกับพื้นนี่ก็ยังล้มผิดท่าก็สลบไปเลยบางคนก็ตายไปเลยล้มทั้งยืนนี่ก็ดีจะเดินดินอยู่นี่ก็ถล่มอยู่กับดินนี้ก็ยังพอทำนาขนาดนั้นเราอยู่ในที่สูงแบบนี้อยู่ในบุคคลที่สูงส่งมีแต่ผู้ให้การสนับสนุน เป็นตัวแทนเขาเรานี่เป็นตัวแทนคนทั้งโลกเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ทั้งโลกเขาไม่มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติเขาก็ส่งเสียบัตรใจสี่มานั่นเราทำอะไรล่ะการเป็นตัวแทนเขาลววะบ้าอย่างเราเป็นตัวแทนพ่อแม่เนี่ก็ยังพอสมควรอยู่แล้วนะ ถ้าลูกดีก็มีสีแก่ตระกูลนะถ้าลูกไม่ดีแบบนี้สีในตระกูลก็ไม่มีนั่นแบบนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัทสีทั้งโลกเขามากาบไหว้บูชาเขาส่งเสียมาก็ดูเขาอยู่ฮ่องกงเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาส่งของใช้ของเชยมาให้ อยู่อเมริกาอเมริกเกอร์เขาส่งเสื้อผ้าส่งของใช้ส่งอะไรต่ออะไรมานั่นเขสนับสนุนผู้ปฏิบัติผู้ทำโครงการเครื่องใช้เครื่องซ อ, อยเขาให้มาบัตรใจสี่เราไม่ได้ขาดตกบกพ่องเลยที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งเครื่องหม่ม ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บพวกเรานี่เรียกว่าอยู่อย่างสุขสบายที่สุดได้รับการสนับสนุนอย่างดีที่สุดในสมัยนี้เพราะมีวัดมีหลักมีแหล่งไม่เป็นผีตองดิบภาคที่นู่นคืนหนึ่งภาคที่นี่คืนหนึ่งสำเวสีอยู่อย่างนั้นฉะนันผู้เข้ามาอยู่บนี้ การทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมการทำหน้าที่ในความเป็นตัวแทนของบริษัทสี่เป็นพิสุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาการเป็นตัวแทนของบริษัทสี่เราทำหน้าที่ตรงนี้ดีขนาดไหนบันถ้าเราทำหน้าที่ดีคนที่เขาสนับสนุนเราเขาก็ได้บุญได้กุศล จากการพวกเราแผ่ส่วนกุศลไปให้ทุกวันสเพสตาหนึ่งฉะนั้นถ้าหากเราคิดกันแล้วเน่ถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือไม่มีเจตนาของตัวเองขึ้นมาอย่างมั่นคงหนึ่งคำข้าวเขาคำหนึ่ง หลวงปู่ครูบาอาจารย์ว่าทานถานแดงๆเข้าไปสักก้อนหนึ่งยิ่งดีกว่าอมเข้าไปเลยดีกว่าคำข้าวคำหนึ่งเพราะมันไม่ปากแล้วก็จะตายในเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตกนรกหมกไหมแล้วก็ไม่ต้องเกิดมาใช้หนี้เ็าใหม่อีกรอบนีง ทำข้าวเขาคำหนึ่งถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราอย่างดีในฐานะที่เราได้รับการสนับสนุนมาไม่มีการวางแผนตัวเองไม่มีการคิดอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ไม่คิดถึงด้านสรินธรรมไม่คิดถึงด้านข้อวัตรปฏิบัติต่างๆเลียงอย่างพระมหากัสริ เวลาเข้ามากับนมัสการผู้เจ้าผู้เจ้าถามถึงถ่าขันท่านกัสปะท่าขันของท่านยังพอคนไหวอยู่ไหมก็บอกว่ายังพอเป็นไปแล้วฉันอาหารยังพอมีรสชาติอยู่ไหมฉันอาหารก็พอเป็นไปจำวัดพอหลับบ้างไหม จมวัดก็พอได้หับบ้างถ้านั้นการเที่ยวทุ ด, ดงของท่านจะผ่อนคลายลงสักหน่อยก็ได้เพื่อถาดขันให้มันทรงอยู่ได้ท่านมหาการสภากาบคูลผู้เจ้าว่ายไงบอกว่ามอมฉันยังพอมีความยินดีในการเที่ยวทุ ด, ดงเพราะเพื่อความเป็นอยู่ของถาดขัน ก็ดูขนาดผู้เจ้าประกาศจะปรินิพานอีกสามเดือนข้างหน้าพระมหากษัตรยยังเที่ยวทุดงอยู่เลยแต่ก็เดินทางมาเพื่อว่าจะไปเฝ้าผู้เจ้าอยู่ก็รู้อยู่ว่าผู้เจ้าจะปรินิพานในช่วงเดือนหกเป็นแต่ก็กำลังเดินทางยังมาไม่ถึงถึงได้มาเห็นอากาชิวก ก็ถือดอกมุนทามาถึงเข้าใจได้เลยว่าผู้เจ้าผลินิพานแล้วก็เลยได้ถามข่าวๆถึงพระผู้มีพระภาคอากาชิวก็เลยกลับทูลว่าพระผู้มีพระภาคของท่านนั้นผลินิพานล่วงมาแล้วเจ็ดวันแล้วหือ mm hmm. hmm? พออากาชิวกนึ่นกลับทูลอย่างนั้นเนะี่ยพวกพิสุสงล้องห่มร้องให้กัน ปกี่บวชใหม่กำลังตั้งใจที่จะไปนมัสการผู้เจา้าสุพัทธคุทะบรรพชิตบวชเมื่อภายแก่มาจากอาชีพของกุกพ่อครัวชอบทำอาหารกินเองในสมัยหนึ่งผู้เจา้าเสด็จมานานมาแล้ว มาเยี่ยมพมหากษัะทุดงอยู่ในป่าในโจกุ๊กนี่ก็ไปบอกลูกศิษย์ให้หาของสดมาวันพรุ่งนี้ผู้เจ้าจะมาประทับแรมที่นี่คืนนี้แล้วก็ไปเตรียมของสดมาเรานี่มีอาชีพทำกับข้าวเป็นกุ๊ก จะทําอาหารอย่างอริดอร่อยถวายพระผู้มีพระภาคพอสุดท้ายมาผู้เจ้าก็มาประทับแรมอยู่ที่นั่ น, นพอไปเห็นตอนเช้าจะออกบินธบัติวิ่งไปขวางทางผู้เจ้าไม่ให้ผู้เจ้าออกบินธบัติบอกว่าหม่อมฉันได้เตรียมอาหารการฉันไว้แล้วเยอะแยะ ว, วันนี้ไม่ต้องออกบินธบัติก็ได้ผู้เจ้าก็เลยตวาดเอาว่า ไม่ยินดีในอาหารการบริโภคของท่านที่ท่านเตรียมเป็นการที่ไม่เหมาะสมตอนแรกพิสุไม่ควรทำกับข้าวกับปลากินเองไม่เหมาะสมพอหลังจากครูเจ้าไปสันไปบินธบัตเสร็จกลับมาตอนเย็นนั้นครูเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์กล่าวเอาพระพิสุรูปนี้ขึ้นมาว่าพิสุต่อไปไม่ควรทาอาหารไม่ มันอยาดห้ามไม่ให้ทําอาหารกินเองโอยไอ๋พระองค์นี้โกรธหัวฟัดหัวเวีย ง, งนี่วันที่ได้ข่าวผู้เจ้าปณิพนิพานนี้ก็เลยเกล่าวล่วงเกินทำวินัยว่าผู้เจ้าปณิพนิพานไปแล้วก็ดีแล้วแบบ น, นี้พวกเราจะได้อยู่อย่างสะดวกสบายพวกท่านจะไปร้องห่มร้องให้ทําอะไร เราจะได้อยู่อย่างผาสุกเพราะว่าเราอยากทําอะไรกินก็เราก็จะได้ทํากินแบบนี้เมื่อก่อนผู้เจ้ายังทรงพระชนอยู่ทําให้หนุน่นก็ไม่ได้ทําานี่ก็ไม่ได้แ ก, ยก่ยั่วถือเอาควมโกดตั้งแต่วันนั้นวันที่ผู้เจ้าไม่ยินดีในการทากับข้าวของแกแกก็ไม่ได้เป็นพระอระหันต์เป็นพระพุทธชนธรรมดาบวชมานานบวชภายแก่ แต่ยินดีในการทุดงกับพระมหากษัตริยแต่ก็ยินดีในการทำอาหารกินเองถึงเที่ยวทุดงกับทำอาหารกินเองพอผู้เจ้าบัญญัติห้ามแล้วแกยยวก็เลยยั่วพอผู้เจ้าปรินิพานแกก็เลยจ่วงจับทำวินัยเรียกว่าสุสุภะคุท ธ, ธบรรพชิต สุพัทธะนี่มีอยู่สององค์สุพัทธะปริภาชกคนนี้ลูกของนายพานหลานของนายพานคนนี้สุพัทธะปริภาชกนี่เป็นหลานของนายพานคนอากาศีวก ค, คนที่เจอกับผู้เจ้าในสมัยที่เดินทางระหว่างพุทธคยาจะไป ป่าอิสิมฤตถ่ายวันอากาศศิวก ค, คนนี้เป็นพ่อของสุพัทธะปริภาชกพอเดินทางมาแล้วก็มาเจอบ้านนายพานหาบเนื้อขายก็เลยมาอยู่กินกับลูกสาวนายพานได้ลูกชายมาคนหนึ่งสุดท้ายมาก็ออกบวชที่เวรุวัน ที่ผู้เจ้าเคยพูดไว้ว่าผู้เจ้าเป็นอนันตชินอยู่มาหลายปีอดีตอาคกชิวคนนี้ก็มาหาคุยเจ้ามาถามว่าจะมาหาท่านอนันตชินผู้เจ้าสั่งไว้เลยตอนเช้าหลังจากสรนเสร็จวันนี้จะมีคนมาตอนบ่ายนี้จะมีคนมาถามหาชื่อว่าอนันตชิน ถ้าใครมาเป็นคนมาถามหาอนันตชินนี้ให้นำเราเข้าไปหาเราพอกพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเรามีความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยได้เป็นพระละหันหรืออะไรรู้สึกว่าจะได้เป็นพระละหันหรือเปล่าได้สำเร็จเป็นพระละหันส่วนลูกชายของแกก็ได้เป็นบวชเป็นปริพาชกสุพัทธปริพาชก น่นถึงมีการวางแผนการจัดการกระบวนการต่างๆเราทุกวันนี้พวกเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติเป็นอะไรก็ตามอยู่แบบเลื่อนลอยอยู่แบบไม่มีอนาคตของตัวเองเราต้องอยู่อย่างมีอนาคตก็ ว, วันนี้กับพรุ่งนี้นี่ควมเปลี่ยนแปลงทางด้าน จ, จิตใจมันจะต้อง เข้มคนขึ้นไปในภาคปฏิบัติเรานั่งได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันพรุ่งนี้เราต้องนั่งได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงขึ้นไปเราเดินได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็เดินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทําไปจนเกิดความเคยชินในการนั่งในการเดินในการยืนในการภาวนาอันนี้มันเกิดความเคยชินอยู่อันเดียวคือนอนเป็นวัด ขาดการหลับการนอนไม่ได้คืนหนึ่งวันหนึ่งมงก็มันจะตายให้ได้เพราะไหนๆเราก็จะต้องนอนผมทับแผ่นดินอันนี้อยู่แล้วช่วงนี้อย่าพึ่งไปนอนเลยกำลังบางสามก็มีอยู่หากขันก็ยังเปิดโอกาสให้เดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้ไปไหนมาไหนได้ เราก็ทำความภาคควมเพียรรักษามาตรฐานตัวเองนี่คนที่มีมาตรฐานมันต้องดีกว่าคนไม่มีมาตรฐานคนเหลวไหลไหลไปไหลมาอย่างนั้นเช้าก็ว่าสายสายก็ว่าใยใยก็ว่าเย็นเยนก็ว่ามืดมืดก็ว่าคำ่คำค่าก็ว่าดึกอยู่อย่างนั้นเอาก่อนเอาละ ทำความเพียนเอาแค่เอาละไม่ได้นึกถึงจิตใจตัวเองเลยเราลองดูตั้งข้อสังเกตดูสิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราแยกออกจากกันได้ไหมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราเห็นเป็นอย่างๆได้ไหมปฏิสนธิวิญญาณที่มันมาเกี่ยวข้องกับรูปอยู่เดียวนี้ เราแยกออกจากกันเห็นหรือเปล่าว่าอะไรเป็นปฏิสนธิวิญญาณอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นวิญญาณในขันห้าเมื่อเราแยกไม่ได้แล้วเราจะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่างแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามมันยังไม่มาเข้าสู่หลักทางของกายคยตาสติกรรมฐานเลย กายล้วก็ไม่เห็นเวทนาล้วก็ไม่เห็นสัญญาแล้วก็ไม่เห็นสังขารล้วก็ไม่เห็นวิญญาณล้วก็ไม่เห็นแล้วมันจะเป็นกายยกคตาสติกรมฐานได้ไหมเราไปปลูกบ้านในอากาศมันอยู่ไม่ได้ไปคิดเอาเองเฉยเฉยความคิดต้องมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่คิดแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อยู่กันแบบ สังกระตายไปวันๆ ว, ว, ว, วันได้อยู่เท่านั้นเองบวชก็ว่าได้บวชไม่ได้คิดว่าจะทำความภาคความเพียรเพื่อยกฐานะตัวเองให้ข้ามผลพบไปให้ได้ไม่เคยคิดไม่เคยมีในหัวใจไม่เคยมีเป้าหมายในหัวใจ แล้วเรามาค้าขายมันจะมีกำไรหรือขาดทุนอันนี้นะที่ว่าขาดทุนเนั่องแต่ยังไม่ได้เปิดมุ้งแพ้เขายังตึนเติมไม่ได้ลุกจากที่นอนแพ้อยู่ในที่นอนเลยเห็นคนทำข้อวัดปฏิบัติเห็นคนเดินยมคมนั่งสมาธิภาวนาอิจฉาลิจยาน้อยเนื้อต่มใจ จิตใจตัวเองมันไม่เป็นไปกับมรรคฉะนั้นเราจะต้องหาทางจัดการกับมันความอิจฉาริชยาความน้อยเนื้อต่าใจความขุ่นมัวของใจเรามาปฏิบัติเราไม่ได้มาสร้างเอาบาปเอากรมไม่มีใครสร้างบาปสร้างกรรมให้เรานอกจากตัวของเราสร้างเอาเอง ต้นไม้ป่าดงพงทึบก้อนหินก้อนหานอะไรก็ตามเขาอยู่ตามสภาพของเขาเราจะให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญของเหล่านี้ก็เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมสัตว์ป่านานาชนิดก็มีอยู่ดั้งเดิมฝนตกแดดออกก็มีอยู่ดั้งเดิม แต่จิตใจของเรามีหลักมีแหล่งหรื อ, อยังมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่แน่นอนแล้วหรื อ, อยังหรือเล่ล่อนอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไปตามลูกตามเสียงตามกลิ่นตามรถตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆวิ่งวุ่นอยู่ทั้งวันไม่เคยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลย แล้วจะไปเข้ากันกับคําว่าภาวะได้ไหมภาวนาได้ไหมคําว่าสุตะมะยปัญญาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดออกมาอบรมสั่งสอนตัวเองได้ไหมมันไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่เคยคิดถึงมันเลยถึงเลยว่าสุตะมะยปัญญา กินตามายปัญญาเพราะเราไม่เคยเอามาตึกตองไข้ควรไถ่ตองว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนปรับปุงตรงไหนถึงเลยว่ากินตามายปัญญาภาวนามายปัญญามีที่อยู่ที่เหมาะสมกับตัวเองสภาพจิตใจของตัวเองก็นิ่งสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา หนึ่งไม่มีสองไม่ว่าเราอจะไปพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกับจับวางเหมือนกับเราจับวางใส่ฉะนันถ้าหากเราเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างนั้นนะมันจะไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้ที่มีปัญหากันมากมายไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็ตามวุ่นวายกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมือง ก็เพราะคนไม่เข้าใจตัวเองตัวเองอยู่ในสถานะเช่นไรสมควรจะพูดจาพาทีหรือเปล่าหรือตัวเองเป็นผู้สมควรจะเป็นคนพูดแต่ผู้สมควรจะเป็นคนพูดไม่พูดบัณฑคนที่ไม่สมควรจะพูดก็พูดนี่ อันนี้เรียกว่าไม่รู้จักคมกาละเทศะเมื่อไม่รู้จักรมกาละเทศะแล้วบัดนี้ก็พูดเกินไปคนละจิตละทางละบันในเรื่องเดียวกันสุดท้ายมาเกาเรื่องเดียวกันนั้นแหละมาขัดแย้งกันเองหเลยก็จบชีวิตฉะนั้นถึงว่าการเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ ถ้าเรามีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของเราที่ดีพอมันจะไม่มีทางที่จะไปตกนรกเลยเพราะผู้เจ้าป้องกันไว้หมดทางที่จะลงนรกแต่วันนี้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางของผู้เจ้ามันก็เลยต้องตกนรกเองฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการเหลือเวลาอีกจำกัดไม่สองอาทิตย์สุดท้ายนี่ ถ้าเราได้ทบทวนดูตัวเองแล้วเราจะวางแผนจัดการอีกเก้าเดือนข้างหน้าก่อนจะเข้าพรรษาเข้าพรรษาสามเดือนเวลานอกพรรษานเก้าเดือนเราจะวางแผนจัดการกับตัวของเราอย่างไงเตรียมการกับตัวของเราอย่างไงเรามีการเตรียมการมีการจัดการถ้าเราอยู่ในสถานะที่เรารู้จัก กาละเทสะมันจะไม่มีปัญหาการอยู่ในโลกมนุษย์อย่างพระสงฆ์ในสมัยก่อนอยู่กันเจ็ดแปดร้อยองค์อย่างเดินทุดงกับพระมหากัสสปะนี้ก็เ0 0อร้อยองค์พวกที่มีความยินดีในการเที่ยวุดงกับพระมหากัสสปะแต่ทำไมไม่มีปัญหา เพราะต่างคนมีเกรตนาเป็นอันเดียวกันการหานการฉันก็มีเกรตนาเป็นอันเดียวกันจะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้เพราะเรายินดีในการทุดดงปรดศัตว์เขาจากทาบุญเขาก็ทำไม่อยากทาบุญเมื่อแล้วไปเพราะไม่ได้เห็นจะไปกระตือรือร้นอะไรเลยมีอะไรก็ว่าไปตามมีตามเกิดหนึ่ง ในสมัยก่อนที่ตมามาอยู่ที่ถ้ำเกียงกระโตงตงมาบินน้ำบัดได้ข้าวเปล่าๆตมาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะก็มีไอ้ที่มันคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงก้างนอกแต่ในระหว่างที่เราอยู่ก็คืออยู่ไม่เห็นดือจะเดือดร้อนแต่ถึงเวลาเราออกไปเราก็ออกไปแต่เราก็บอกตัวของเราว่าการอยู่อย่างนั้นน่ะมีความสุขถึงแม้จะมีแต่ข้าวเปล่าๆฉันก็ ยังมีความสุขไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรมากมายยังมีความยินดีที่จะทำแบบนั้นซ้าไปพอพออกรรษาแล้วก็ไปเดินทุ ด, ดงไปเรื่อยไปบ้านนูน้นบ้านนี้ในกลาป่าชายป่าไม่ออกเมืองเลยไปอยู่ตามชายป่าชายเขาไปเรื่อย นะธรรมทในหมเหมะก็ะะะอยู่นานหน่อยสถานที่วิเวกดีหน่อยแล้วก็อยู่นานหน่อยมันจะมีความสุขมากกว่าที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองผู้คนหญิงชายมากมาก